ไม่ต้องทำอะไรแล้วบรรลุได้งั้นหมาบรรลุแล้วหมาไม่ได้มีศีลสมาธิปัญญาทำไมไม่บรรลุอ่ะเพราะไม่ได้ทำเหตุที่จะบรรลุได้แล้วบรรลุแล้วนะก็จิตไม่ยึดถืออะไรเลยถูกต้องต้องทำต้นทางไม่ใช่ทำปลายทางหรือสอนบอกว่าวิธีจะบรรลุพระรหันนะสังเกตดูพระรหันเนี่ยจิตท่านไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอะไรเนี่ยนะไม่ส่งออกทางสวรรค์ทั้งหก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 มีมองเห็นรูปไหมมีหูได้ยินเสียงไหมแสดงว่าจิตนีมีจิตออกไปที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายคิดได้ไหมหรือพระอรหันต้องไม่คิดเนี่ยบางคนเขาเพี้ยนหนักนะพระอรหันต้องไม่คิดเพราะคิดเป็นโลภะโอจิตมันมีหน้าที่คิดต่างหากหละ่ะนี่คำสอนที่มั่วๆเนี่ยเยอะมากเลยนะหรือสอนว่าจิตเที่ยง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 ถ้าเราวันๆเสริม ส, สวยอย่างเดียวหลง โ, โลกอย่างเดียวแล้วบอกว่าเนี่ยเจริญปัญญาตั้งนานแล้วไม่บรรลุสักทีไม่มีในขมามบา ร, รมีนะต้องมีสัจจะไม่มีสัจจะก็ไม่ได้ปลิ้นปล้อนหลอกลวงแล้วบอกว่าจะเป็นพระอริยะมันก็ไม่เป็นนะสัมบา ร, รมีต้องครบเลยนะ้มีปัญญาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนั่นเราสารวจตัวเอง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 รำไรลําพันธ์หรืออะไรต่ออะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าทั้งหมดเลยใจเป็นควยคนดูใจไม่ได้เป็นทุกเป็นร้อนอะไรด้วยค่อยฝึกไปเรื่อยๆคือเห็นใจมันไม่ได้เป็นทุกเป็นร้อนแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันติดไปติดอย่างอื่นหรือยังไม่ติดดอกขันมันแยกใจมันสบายแต่ว่าบางทีกังวลเกิดขึ้นความโหดหู่ใจเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ให้รว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 พอเข้ามาอยู่ชา้นที่สองเนี่ยก็ตัวผู้รู้เนี่ยตัวกรรมการเนี่ยจะออกมาเด่นชัดแล้วก็ก็จะไปดูไอ้สภาวะของปิติที่มันกาลังดับไปเสื่อมไปนะให้เห็นถ้าเผิดว่าตัวผู้รู้นี่ชัดนะฮะแล้วก็จิตเราตั้งมั่นจริงๆเนี่ยสภาวะสภาวะเสื่อมไปสิ้นไปขององค์ฌานอันนั้นนะก็จะปรากฏให้เห็นแก่เราเอง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 ถ้าเผื่อท่านยังฝึกมันไม่ถึงจุดนี้มันก็จะยากหน่อยฮะที่ท่านจะเข้าใจทีนี้พอดูดูไปในชา้นที่สามเนี่ยนฮะลมนั้นจะละเอียดมากเราจะกลับมาดูลมก็ได้หรือเราจะกลับไปดูเวทนาที่มันเกิดกับลมนี่นก็ได้เวทนาที่เกิดกับลมในขณะนั้นก็คือตัวสุขในขณะที่ลมกำลังเคลื่อนไปแล้วก็ทุกขกมาสุขในขณะที่ลมนั้นหยุดอยู่มันจะ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 ใช้วิธีตามรู้จิตที่หลงไปจิตที่โกรธจิตที่โลภอะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะให้จิตนั้นตั้งมั่นขึ้นมาได้ชั่วขณะเรียกว่าเรียกว่าเดินออวิปัสสนาก่อนแล้วก็สมาธิจะเกิดกับสมถะจะตามหลังมาแต่อย่างวิธีที่ผมทำอยู่นี่เป็นวิธีที่ว่าเดินไปพร้อมๆกันก็คือ